بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ر ب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا ول على الظالمين وصلي وصلّي على شرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ห้าสังข์สอนในอุเรานะฮ์ดีษของท่านนบี صلى الله عليه وسلم จะพูดถึงช่วงเวลาสองช่วงอย่างที่เคยเคยบอกกับพี่น้องว่ามิติของเวลานั้นนะมันมันเป็นตัวแปรสาคัญในคาสั่งสอนต่างๆไบาดาต้องมีเวลาในคาสั่งสอนนี่ไม่ไดีไม่ได้พูดไม่ได้ตั้งเงื่อนไขชัดเจนเรื่องระยะเวลา ให้ดลามาด์อ้เวลาว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่ไว่าว่าว่า่าว่าว่าน่าว่าว่าว่ม่าว่ว่าว่าว่่าาว่าว่าว่าว่าว่ว่าว่าว่า่าว่ว่าว่าวาวาว่าว่าา่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าาว่าาาว่าาาา่วาวา ยืนนานๆสุดหยุด น, นานๆกล่าวอสการต่างๆค่อยๆกล่าวช้าๆมันก็สื่อถึงคุณภาพของไวบาดาที่เรากาลังทำอยู่ฉะนั้นเรื่องเวลาเนี่เป็นมิติสำคัญในในคำสั่งสอนแต่โดยรวมแล้วในคำสั่งสอนนี่จะให้เราได้คำหนึ่งถึงเวลาสองเวลาสำคัญเป็นก้อนเวลา ใหญ่ก้อนแรกนคือเวลาของชีวิตเราในโลกดุนยานี้ชีวิตของมนุษย์แต่ละคนนะนะและในโยบายของคำสั่งสอนเกี่ยวกับเวลาชีวิตของมนุษย์เนี่ยจะให้เราได้ตรหนักว่าเวลาที่เรามีอยู่ในโลกนี้เนี่ยมันเป็นเวลาสั้นไม่ใช่เวลา มันไม่ได้ไม่ใช่เวลา ย, ยาวนานเพราะมีเป้าหมายที่จะให้เราได้บริหารเวลาในชีวิตเนี่ยให้คุ้มค่าที่สุดซึ่งตรงกันข้ามกับเวลาอีกก้อนหนึ่งที่คำสั่งสอนจะพูดบ่อยก็คือเวลาของวันเกียรติาเวลาปรนโลกซึ่ง a l l a จะ บอกตลอดว่าเวลาของโลกหน้าเนี่ยของคนเกียร์มากมันยาวนานมันยาวนานมากทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เราได้มีปัจจัยในการบริหารเวลาปัจจุบันของของโลกนี้เพราะในเมื่อเวลาของโลกนี้เนี่ยมันสั้น มันช่างสั้นเหลือเกินและเป้าหมายของการบริหารเวลาในโลกนี้ก็เพื่อให้เราได้เสวยสุขในเวลาของโลกหน้าให้เต็มที่ฉะนั้นสองสามอญญายะที่ผ่านไปแล้วที่เราได้อธิบายไปแล้วนี่มันพูดถึงเรื่องเวลาที่ต้องรีบเร่งในการปรับปรุงชีวิตของตัวเองไม่ให้ ไม่ล่าช้าข้อ51 เ, เนี่ยได้สรุปพฤติกรรมของมุชริกีนในยุคก่อนแล้วอัลลอฮ์เอามายกเป็นอุทาหรณ์ให้ชาวมักกา์เนี่ยให้มุชริกีนที่มักกา์เนี่ยไ ด, ได้เป็นอุทาหรณ์สำหรับเขาเนี่ยเขาถูกลงโทษ กลุ่มชนยุคก่อนเนี่ยเขาถูกลงโทษลงโทษเมื่อถูกลงโทษแล้วเนี่ยเขาก็จะรีบรีบศรัทธาเราก็จะตำหนิว่าซุมมาอิจามะวะกะอามันตุมบิครั้นเมื่อมันเกิดขึ้นการลงโทษเนี่ยพวกท่านก็ศรัทธาต่อพระองค์กระนั้นหรืออันนี้พูดถึงการลงโทษในโลกนี้ไม่ใช่การลงโทษในโลกหนะ้า คือในโลกหน้าเนี่ยเมื่อฟื้นคืนชีพแล้วมนุษย์ทุกคนนี่ประจักษ์ชัดแลว้วว่าสัจธรรมนี่ที่บรรดานามีร์ซูลเคยมาสอนนี่มันชัดแจ๋ ช, ชัดเจนแล้วนะเขารู้รู้แก่ใจว่าจะศรัทธาจะประกาศศรัทธามันก็ไม่มีผลไเม่มีไม่มีประโยชน์แล้วเขารู้ ฉะนด้ไม่ใช่ว่าฟื้นคืนชีพโ อ, โ, อโอ้เห็นละนรกสวรรค์เลออิเลห์อิลลอหฉันฉัน ข, น ข, ขอขอรับอิสลามอเคเขารู้แล้วว่ามันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่เวลาของมันการลงโทษหมายถึงว่าในโลกนี้แม้ว่าการลงโทษที่มีนัดหมายอย่างเช่นการลงโทษกับกลุ่มชนที่เขาท้าทาย นบีของเขาอะพระเจ้าของของท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะลงโทษพวกเราถ้าลงโทษพวกเราเราจะศรัทธาซึ่งการท้าทายนี้มันไม่เหมาะไม่คู่ควรแก่แก่การให้โอกาสที่จะให้ศรัทธาจริงเพราะมันเป็นการท้าทายมันเป็นการปฏิเสธในตัวเป็นการปฏิเสธในตัว เพราะเมื่อการลงโทษมาแล้วตามหมายนัดที่เขาต้องการแล้วนี่นะการสัทธาก็จะไม่ถูกต่อบรับเช่นเดียวกันจะสัทธาตอนที่อัลลอฮฺสุบฮานาบอกอะไรมาใว่าลงโทษวาระสุดท้ายก็คือการลงโทษที่จะนำมาซึ่งความหายนะอย่างสิ้นเชิง เช่นนั้นก็คือความตายซึ่งเป็นการลงโทษใหญ่หลวงสำหรับมนุษย์ทุกคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ยอมเตาบัตรตัวเราจะประวิงเวลาให้ก่อนที่ดวงวิญญาณจะถึะะะถงลุกกระเดือ่องที่นบีได้บอกแสดงว่าความตายนี่มันจะปิดโอกาสที่จะกลับเนื้อกลับตัว ก า, การลงโทษนี่สำหรับคนดีไม่ศรัทธาไม่เปลี่ยนแปลงไม่กลับเนื้อกลับตัวแต่ความตายนี่จะไม่เป็นการลงโทษสำหรับคนดีคนดีเขาได้ใช้ชีวิตตามคำสั่งสอนนี่การลงการเสียชีวิตเนี่ยถือว่าถือว่าเป็นการรีบเร่งให้ได้รับการตอบแทนเทอรอสุภาโนวาตาราได้สัญญาไว้อินนัลลัตินะกาลู ا ل บบุนอัลลอฮุทุมสต มันดูที่ประกาศว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของเราแล้วแล้วเขายืนหยัดแต่จะ ن ز มุลมลาอิกะตุมันนมาลาอิกะแห่งความเมตตาหนิจะเสด็จลงมาอัลลอฮะคอฟูวละจะนจงอย่ากลัวในสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปว่าละะสนและไม่ต้องเศร้าในสิ่งที่มันผ่านพ้นไปว่าอับชิรบิลันนตลติคุณตุมตัวด และจงทราบเถิดข่าวดีซึ่งสวนสวรรค์ที่อัลลอ์ได้เคยสัญญาไว้กับพวกเจาก้าแสดงว่าความตายนี่มันเป็นการแจ้งข่าวดีสำหรับคนดีแต่สำหรับคนที่ไม่ดีไม่เข้าท่าทำไม่เข้าท่านะความตายก็เป็นาการลงโทษถึงแม้ว่าความตายนะั้นมันจะสง่างามอลังการขนาดไหน คนมาแล้วหมอจะนาจะเยะคนมาทำบุญให้ก็เยคือประกาศกันเยประกาศประกาศในทีวีในวิทยุประกาศในโซเชียลโอคนมันไม่ได้เป็นสัญญาณว่าเขาจะได้จะได้ข่าวดีข่าวดีนี่มีมาเลยก็เท่านั้นนะที่จะรับข่าวดีจากอัลลอฮ์มาแจ้ แ ล, ล้วก็จะตำหนิพวกที่ไม่ไดีบริหารเวลาอันสั้นของชีวิตของเขาเนี่แอลแอนะตอนนี้หรอจะมาศรัทธาขณะนี้พวกท่านศรัทธาแอลแอนะตอนนี้หรือเช่นคนที่ตอนตายก็จะมาตบัด ต, ตัวตาบัด ต, ตัวก่อนดวงวิญญาณถึงลูกกระเดือก ยังใช้ได้แต่ต้องเข้าใจว่าช่วงเวลาแห่งความตายเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่สุ่มเสี่ยงมากในการควบคุมสติและในการบริหารเวลามันจะรวดเร็วมากแล้วไม่มีอะไราการันตีว่าเราจะมีสติ ที่สมบูรณ์ในขณะนั้นไม่มีใครรับรองได้รถชนอย่างเงี้ยดวงวิญญาณยังไม่ได้ออกนะรถชนตายยังยังไม่ตายวิญญาณยังไม่ออกแต่ปวดทั้งตัวเลยเจ็บทั้งตัวจะมาคิดอะไระคิด คิดว่าฉันจะเตาบัดตัวฉันจะอะไรบอโอ้โหนี่บางทีเนี่ยมันมันมันไม่มีสติที่จะมานั่งมีสมาธิมาคิดเรื่องนี้ฉะนั้นโง่เขาเหลือเกินที่ใครที่บอกว่าเออฉันบริหารฉันบริหารได้เดี๋ยวค่อยเต้าบัดตัวก่อนตายนอกจากว่ความตายนี่ไม่มีใครรับรองว่าจะมาเมื่อไหร่ใช่ไหมและไม่มีใครการันตีว่าความตายนี่มันจะมาในรูปแบบไหน ฉันั้นจะตั้งตัวจะจะเตรียมพร้อมนี่มันก็ไม่มีใครสามารถรับรองให้ตัวเองได้ฉะนั้นที่ปลอดภัยที่สุดเนี่ยก็คือเต้บะล่วงหน้าเต้บะาล่วงหน้ากับเนื้อกับตัวตลอดเวลาเหมือนที่ท่านนบีทำสเติลฟอร์และเต้าบาตัวทุกวันวันละเจ็ดสิบครัง้งวันละรอยครั้งชัวชัวเล ตอนนี้แล้วเนาะที่จะมาศรัทธากันอย่างที่บอกว่าในส ورة ยุนุสจะมีเรื่องของฟิราอุนพอจมน้ําแล้วนี่จมน้ําแล้วนี่ศรัทธาแสดงว่าตอนนั้นน่ะตอนที่ฟิราอุนได้พูดพ่าฟิร์ลาพูดในส ورة ยุนุสเนี่ยอัลลอฮฺจะบอกฟะลัมม์ะอัตระกะฮุลฮรกูพออาการจมในน้ําเนี่ย ได้ามายังเขาแล้วเนี่ยมาถึงเข้าแล้วเนี่ยอัลกอรกอัลกอรกไม่ว่าจมนม้ําแล้วจมแล้วก็ล่ะเขากล่าวว่าอามันและอามันต์อันนั้วละอิล่าอัลลัลลิออามันตบิฮีบานุอิสราเอลข้าพเจ้าสัตย์ในพระเจ้าที่บรรดาบานุอิสราเอลเนี่ยได้สัทย์ไว้อัลมาได้บอกว่าอาแล้วก็นี่พูดได้นี่แสดงว่าดวงวิญญาณยังไม่ดี ดวงวิญญาณยังไม่ยังไม่ถึงลูกกระเดืองเพราะดวงวิญญาณถึงลูกกระเดือกนี่พูดไม่ได้เสียงที่จะออกนีเกกเคยไปอยู่กับใคคนตายไมไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเสียงแต่แต่แต่คนที่คนที่สามารถเห็นวิญญาณกำลังออกนั่นนี่จะมีเสียงนี่ผมเจอหลายครั้งหลายรอบนี่ถ้า ถ้่ได้ยินเสียงนี้นะ่ะเนี่ยวิญญาณกำลังออกจากลูกกระเดือแต่คนตายส่วนมากนะสามารถเห็นเห็นถ้าตายปกตินะสามารถเห็นได้นี่ว่าลกตาลุกกตาเขานี่ยจะขึ้นขึน้บนตาวิญญนมีบอกว่าลู ก, กตามันจะตามวิญญานนีพูดได้นี่ลาอิลาฮอิลลัลลอเขาบอกว่าพูด ถึงแม้ว่ายังไม่ถึงลูกกระเดืออที่อัลลอฮ์ไม่รับการศรัทธาของฟิราหนี่หนึ่งเพราะพูดในวาระสุดท้ายที่ไม่มีความสมัครใจพูดคือเห็นเห็นทะเลนี่แยกเป็นสองสองฝั่งอย่างนี้เนะ่ยและยังไม่ศรัทธานะยังนะี่ยังไม่ศรัทธานะ เห็นบรอิสราเอลเนี่ยเดินในทะเลนี então, ่แล้วแล้วเขาเห็นมหาสจัญน er ี่กันร่งขึ้นแล้วยังไม่ศรัทธาอีกันและความดื้อดึงของเขานี่ยังตามบนุดอิสราเอลเนี่ยไปในท้องทะเลนะนึกว่ามหาสจนี่เนี่ยไม่ใช่มาสคือการปฏิเสธมันถึงขนาดไหนอะพอบนุอิสราเอลรอดแล้วนี่อัลลอฮ์ให้ทะเลทะเลมด มาปิดทางและจมน้ำวลรมาได้บอกว่าสภาพการศรัทธาของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในสภาพของคนที่ศรัทธาด้วยความสมัครใจฉะนั้นคนที่จะศรัทธาหรือจะกลับเนื้อกับตัวขณะวิญญาณอยู่ในร่างก่อนถึงลูกกระเดือกเนี่ยมีเงื่อนไขว่าต้องสมัครใจด้วยนะ ประเด็นที่สองที่เขาบอกว่าอุลามาเขาบอกว่าฟิราอุนิมไม่ได้ศรัทธาจริงนี่เพราะเขาดูด้วยความตะ ก, ก บ, บรุรความยะโสของเขานี่นะไม่ยอมปฏิญาณตนต่อพระเจ้าที่แท้จริงเหมือนเป็นพระเจ้าที่เขาไม่รู้จักฉันศรัทธาต่อพระเจ้าของบรรดุ伊斯ราเอลเขาเขาของเขาอล้วไม่ใช่เป็นพระเจ้าของเจ้าหรอฉันศรัทธาในพระเจ้าที่บรรดุ伊斯ราเอลเขาศรัทธากัน มันเหมือนอะไรเหมือนคนหนึ่งเคยไปหอมไปหาหมอดูอีกคนหนึ่งก็ไปหาหมอดูอีกคนหนึ่งแล้วแต่ละคนนี่ก็ได้เจออะไรแจ๋วแจ๋วดีๆของหมอดูของแต่ละคนนะนะพอคนหนึ่งมารั้วบอเฮ้ยหมอฉันเนี่ยเขาพูดอย่างนี้ น, น, นีมันเป๊ะมันแจ๋วมันมันเป๊กเป๊ทุกอย่างเลยอะเอ่คนนั้นบอกว่าเออฉันเชื่อในหมอดูของตัวเอง ที่แกไปที่แกไนมากกว่าหมอดูของฉันพิร้อนนี่ประมาณนี้คือยังไม่ซึง้งยังไม่ซึ้งในพระเจ้าที่แท้จริงคำปฏิญาณตนนี่มันมันก็ออกมาในท่าที่มันทุเรศฉันศรัทธาในพระเจ้าที่บรรลุเซลยเขาศรัทธากันอะไแบบนี้มันมันเหมือนไม่ให้เกียรตะไม่ให้เกียรติอัลลอ์แล้ว แสดงถึงความที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์อย่างเที่ยงแท้ไม่รู้จักอัลลอฮ์ศรัทธาในพระเจ้าที่บรรดาบนรอิสรุรเอลเขาศรัทธากันซึ่งการเปลี่ยนแปลงตัวเองการเติบบัดตัวหรือการศรัทธาเนี่ยที่อัลลอฮ์จะตอระบรับหรือที่จะมีผ ล, ลบุญที่จะมีผลในวันเกียรติจะต้องเป็นการศรัทธาเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการเติบบัดตัวที่มีความสวยงามทําด้วยความจริงใจ คำต่อมานะครับในสุรัตยูนุสนี่มาพูดถึงมิติเวลาอีกก้อนหนึ่งตะกี้พูดถึงช่วงเวลาในดุนยานี่ที่บริหารที่บริหารไม่ไ ม, ไม่สำเร็จก็เพราะไม่ได้เอาเวลาของโลกหน้านี่ของมวนเกียมานี่มาเป็นอุทาหรณ์มาเปรียบเทียบกับเวลาของโลกนี้ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ ทีมุสลิมทุกคนเนี่ยเมื่ออ่านกุรานแล้วเนี่ยต้องต้องเอาเรื่องนี้มาพิจารณาพิจารณาบ่อยตลอดเวลาทุกวันทุกเวลาเรื่องวันเกียรมาโลกนี้นี่เราอยู่ชั่วคราวนะเพราะวันเกียรมานี่คือชีวิตที่นิรันติชีวิตที่นิรันติเนี่ยเราต้องทําอะไรให้ชีวิตของเราในโลกหน้าเนี่ยได้ประสบความสําเร็จ ทำอะไรดีๆให้โลกหน้าเนี่ยไม่ล้มเหลวอัลลอฮฺจึงบอกว่าซุมมากีละลิลนดีน اظرموذوقو ع ذ ا ิล ل خ ل د ي هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون แล้วมีเสียงกล่าวว่าคําแปลที่เหมาะสมเนี่ยคําว่าเสียงเนี่ยไม่ควมีทําไมอ่ะซุมมะแล้วตีละ ตีแล้วก็มาจากก้อแล้วก็แล้วกล่าวใช่ตีแล้วถูกกล่าวคำว่าเสียงนี่มาจากไหนอันนี้ผู้แปลเนี่ยเขาเติมมาใช่เป็นความหมายที่พอที่จะนึกได้ว่ามันมันมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นคือถ้ามีคำกล่าวมันก็ต้องมีเสียงใชแต่มันไม่ได้อยู่ในสำนวนซึ่งนนโยบายของการอธิบายเนี่ยของคำแปลนี่นะก็คือแปลคำต่อคำเท่าที่ทำได้ คำแปบเนี้ยเขาไม่ได้อธิบายความหมายอย่างกว้างขวางอย่างละเอียดนะไม่เขาก็จะพยายามที่จะอธิบายคำต่อคำฉะนั้นคำว่าเสียงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในคำศัพท์ถ้าจะแปลว่าแล้วมีคำกล่าวขึ้นมาว่ามีคำกล่าวว่าได้หรือถูกกล่าวมีคำถูกกล่าวว่า ถู ก, กล่าวตอนไหนอะแน่นอนถ้าคํานี้จะถูกกล่าวตอนมีชีวิตนี่ยนะถ้าเขาได้ยินเสียงได้ยินคํานี้เนี่ถูกกล่าวะนะา้นะหมายถึงว่ากำลังกินเหล้าอยู่กําลังมัวสุมกำลังเลอะเทอะกันแล้วมีคำํำชีวิตที่นิรันดร น, นี่ชีวิตที่ยาวนา น, นเดี๋ยวจะเจอการลงโทษถ้าเจอคําแบบนี้ตลอดเนี่ยก็คงรีบเตบัตรตัวแน่นอนแต่คํานี้เนี่ไม่ได้ยินตอนมีชีวิตอยู่หรอก ได้าายินเมื่อไรอะตายแล้วซึ่งในคดีของท่านนบีสลลวซ์เลมหลายบทที่จะเล่าถึงเรื่องคนที่เสียชีวิตแล้วแล้วก็ถูกฝังในหลุมศพหรือตายแล้วไปอยู่ในอาลัมบาร์ซักแล้วเนี่ยมาเลากานี่จะมาจะมาสนทนากับเขาถ้าเป็นคนดีมาเลากานี่ก็จะเปิด วิสัยให้เขาได้เห็นตำแหน่งของเขาในส่วนสวรรค์เรจะบอกว่านี่คือชีวิตที่นิรันดร์สำหรับเจ้าในวันพระโลกและจะเป็นคนที่อัลลอ์จะลงโทษนี่ไม่แลวก็จะเปิดวิสัยให้เขาได้เห็นตำแหน่งของเขาในนรกที่จะอยู่ตลอดกาลอัลลอ์ก็ได้อธิบายเรื่องนี้ในสุตขาระวัาฟกกัชฟนาอังการิตาะอเคฟักัชฟนา และเจ้าโอ้มนุษย์ที่ตายแล้วเนี่ยกรชันาเราได้เปิดม่านรีตออากะม่านหรือสิ่งที่ปิดบังปิดบังสายตาฟาเบลซารุกันเลียวมาฮาดีดดังนั้นสายตาของเจ้าวันนี้ตอนนี้หมายถึงว่าตอนที่เจ้าตายแล้วนะฮาดีดฮาดีดภาษาเราเนี่แปลว่าเหล็กสายตาเหล็ก ภาษาแบบนี้ีสายตาเหล็กนี่อันนี้เขาเข้าใจกันไปว่าแข็งแกร่งแต่ถ้ามาแปลถ้าเขามาแป ล, าาาแปลสายตาเหล็กกันนะมันสำนวนนี่มันก็ต้องอมันคนละสำนวนสายตานี่แข็งแรงสายตาหนีทะลุ ป, ปุโปรงสายตาหนีเห็นเลยสามารถเห็นตำแหน่งของเข้าในสวนสวรรค์ด้วยในโลกนี่สมัคกี่ลลิละดีนะรัศมูนี่คือคำกล่าวที่จะถูกถูกกล่าวให้คนรลศมูแก่พวก อาทำว่าดูครูอาแดบรรคุลดีคกล่าวนี้จะบอกกับเขาว่าดูกูพวกท่านจงลิมรดการลงโทษอันจรังอาแดบรรคุลดีคุลดคุลดตลอดการคมนิรันต์คำว่าคุลนิวยาวนานนะ ประธานของมันนี่คาลิดคุลความตลอดการความยาวนานถ้าเป็นชื่อนะคอาลิดเนี่ยมาจากกันเนี่ย้าลิดด้วอูอาบลคุลดตงลิมรส ช, ชาติแห่งการลงโทษอันจีรังเถิดเกือบทุกอายะในคุรตานในเวลาพูดถึงเรื่องการลงโทษน่ะก็จะให้คำว่าลิมซึ่งลิมมันเป็น พฤติการของคนที่จะเริ่มต้นกินอาหารคนเราทุกคนนะอาหารที่ไม่เคยกินต้องทำอะไรก่อนยกเว้นกรณีบางกรณีทีจจ่ภาพอาหารนี่มันจะลวงไม่ชิมช้อนใหญ่เลยสัดเลยบางกรณีนะ แต่ส่วนมากนี่ชิมแล้วก็จะเป็นพฤติกรรมของคนที่เป็นคนระมัดระวังอะไรอะไรที่กินไม่เป็นน่ะนะก็ต้องชิมก่อนอย่าว่าอะไรที่กินแม้กระทั่งของของที่กินกันทุกวันน่ะนะาเตียวอย่างเงี้ยเขาตักชามมาให้แล้วเนี่ยก่อนที่จะปรุงเราต้องต้องชิมชิมนี่มันมันเป็นพฤติกรรมก่อนที่จะกิน แต่กุฎอ่านนี่เอามาใช้บ่อยกับเรื่องลงโทษอันนี้เป็นการเป็นการเ ย, ย้ยว่าที่เจ้าจะได้เจอกับการลงโทษอันเจ็บแสบนะแค่ชิมเนี่ยก็เจ็บละปกติแล้วนี่เราชิมจะได้ไม่เจ็บเนี่ยถ้ามันเผ็ดถ้ามันเค็มเราจะได้ไม่ไม่กินใช่ไหมเออถ้ามันเผ็ดก็เอาไม่กินถ้ามันเค็มเกินเอาไม่กินใช่ไหม ไม่แค่ชิมแล้วนี่ก็เจ็บแล้วซูกกแล้วมันจะไม่มีทางเลือกแล้วสำหรับการลงโทษที่จะเป็นอาหารบังคับชิมแล้วไม่ชอบเหรอหมายถึงวันเกียร์มากนี่ชิมแล้วโอ๊ยเจ็บไม่เอาไม่มีทางเลือกอาจจะเบลคูลดีมันเป็นการลงโทษอันีรังตลอดกาล ในบันทึกของอิมามบุค h รีท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมกล่าวาขณะที่ชาวสวรรค์และชาวนารกอยู่ในสวรรค์ในนรกเนี่ยชาวสวรรค์ น, นี่ก็กำลังได้ความสุขในส่วนสวรรค์ชาวนารกนี่ก็กำลังถูกลงโทษ ล l l า h سبحانه และก็จะเอาความตายโดยแปลงร่างความตายให้เป็นเสมือนเป็นแกะตัวหนึง่งและจะถูกเชื่อให้ชาวสวรรค์และชาวนรกเหนือได้เห็นเราจะกล่าวกับชาวนรกและชาวสวรรค์ว่าคูรูดุนบิลเลมอตพวกเจ้าจะอยู่ตลอดการโดยไม่มีความตายเลย ตอนนั้นนะ่ะชาวสวรรค์นี่ก็จะดีใจมากขึ้นเพราะไอ้ความสุขที่เขากาลังเสบสุขอยู่กันเนี้ยมันจะตลอดกาลเลยและตอนนั้นนะ่ะชาวนรกเนี้ยก็จะเศร้าไปอีกจะรู้ว่าไม่มีความหวังว่าจะออกจากนรกอีกแล้วนั้นหมายรวมว่าก่อนที่จะมีเหตุการณ์เชื่อดความตายหรือไอ้ไอ้แก่ที่ ที่เป็นสัญลักษณ์ของความตายนี่นะชาวชาวนรกนี่เขายังมีความหวงังยังมียังมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะอาจจะได้ออกจึงสามารถอธิบายได้ว่าทำไมถึงชาวนรกนี่จะเรียกยาม ยามนรกยามนรกชื่ออะไรนะมาลิกระยามสวรรค์ตัวอเคยไปเหรอรู้จักรู้จักยามทำเทียบไชื่อยามรู้จักวอันและมาลิกนี่เป็นมาไรกัฮะ และหนึ่งในรูปคุณ إ ي م านในศรัทธาในมาเลากะนีในศรัทธานี่ความศรัทธาในมาเลาย์กาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้อิมานของเรามีอิมานของเรามีความมั่นคงคนที่รู้อวาสานเนี่ยมียามนรกนี่มียามและยิ่งรู้ชื่ออแสดงว่ามีความใกล้ชิดกับคําสั่งสอน แล้วคนนี e um on, ok si on ้สนิทสนมกับมลายกาซึ่งเป็นยามของสวรรค์ยามของนรกเนี่ยชีวิตของเขานี่จะต้องคนละเรื่องคนละเรื่องกับชีวิตของคนนิ่มใบมีสวรรค์มีนรกมีมียามเฝ้านรกเฝ้าสวรรค์นี่ยเขาไม่สนใจหรอกทําไมถึงชาวนรกนี่อยู่ดีๆเนี่ก็จะเรียกว่าหน้าเดียวยะมลิกูเลียยงด้อะไรนารับบุโอ้มาลิกนี่ได้โปรด ทูลกับอัลลอฮ์สุภาโนะอัลลาห์ให้อัลลอฮ์ได้มาตัดสินเราถูกตัดสินแล้วเหมือนเขาจะดีกาป่ะดีกาใช่ไหมดีกาใสแสดงว่ายัางมีความหวังใช่ไหมยังมีความหวังนะเลี้ยงกับดีอะไรนะรับบุกให้อัลลอฮ์นี่มากระทำมาตัดสินแต่ที่อยู่ในโลกนี่ก็ถูกตัดสินแล้วฮะมาลิกจะตอบอยังไง ก็ละอินกุมะทิสูนพวกเจ้านี่คงอยู่ตลอดไปเหมือนกันสอดคลองกันอยู่ตลอดไปตลอดไปคืออย่าลืมเนะี่ยที่ผมบอกตอนแรกเนี่ยตอนเริ่มบรรยายนี่บอกว่ามิติของเวลาของโลกหน้าของอาคีรอนนี่นะฮะจะย้ําให้เราเนี่ยเข้าใจว่ามันเวลายาวนั้นเวลานาน แม้ว่าจะเป็นชาวสวรรค์อยู่ในอยู่ในสวรรค์นี่ตลอดกาลนี่แค่มานั่งคิดช่วงเวลาที่อยู่ตลอดกาลนี่นะมันก็ต้องมีมีมันต้องมีแรงบันดันใจะอะไรสักอย่างและแค่คิดว่าอาตัดเิเข้าเข้านรกละอยู่ตลอดกาลนรกมันก็ต้องมีอุตร่ออะไรสักอย่าง พอดึงมาเทียบแล้วกับเวลาอันสั้นของโลกนี้เนี่ยมันจะเกิดความตัสรู้ว่าเออในช่วงเวลาอันสั้นเนี่ยควรที่จะทำอะไรให้เป็นเหตุผลจะได้อยู่ในสภาพที่มีความสุขตลอดการดีกว่าฮัลตุซิโซนะอิลลามิมากุนตุมตักสิบูนเสียงนั้นนะ่ะคำกล่าวนั้นนะ่ะจะพูดต่อไปว่า จะพูดต่อไปบอกว่าพวกท่านจะไม่ถูกตอบแทนเว้นแต่สิ่งที่พวกท่านผลขวายไว้เท่านั้นตายแล้วใช่ไหมจะถูกกล่าวคำตายแล้วตายแล้วเอา้าแล้วก็มีมีคำกล่าวว่าจะถูกตอบแทนสิ่งที่พวกท่านเนี่เคยขนขวายไวท้ที่เอา้าเราแล้วเราจะมีสติปัญญามานั่งนึกคิดมานั่งจดจำใช่ อุยมร์อับลคตตามนี่เคยถามท่านนบีสัลลัลลอฮุาลลอฮ์สัลลัมนบีเมลยการที่มาถามเราเนี่เรานี่มีสติเหมือนตอนอยู่ในโลกนี้เนี่ยมันก็ใช่เหมือนตอนอยู่ในโลกนี้เลยนั่นหมายรวมว่าเราจะมีความสามารถในการที่จะนึกคิดและโต้แย้งในสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับเราไม่ใช่ว่าตายแล้วเนี่ย อ๋อเหมือนนอนติดเตียงในโรงพยาบาลก่อนจะตายเหรอก่อนจะตายหมอจะเสียบอะไรเข้าเอาสายมาเสียบอะไรก็กเสียบแล้วลราแ ล, แลบลิ้นหนึ่งทําอะไรไม่น่นไม่ใช่คนละเรื่องสติก็มีสติทุกอย่างนี่สมบูรณ์มาเลายก็มาคุยกับเราก็คุยคุ ย, คยเหมือนอยู่ในโลกนี้เนี่ยมีสติอ๋มารุมขต้าหลวงจุ่งบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นนะฉันก็ไม่กลัวดิ หมายทีย่ว่าไม่กลัวว่าเราจะตอบด้วยคำตอบที่ถูกยักยียดให้ตอบให้ตอบแบบไม่ใช่เราจะตอบตามสิ่งที่สิ่งที่มันเป็นความจริงถ้ามันเป็นความจริงแล้วแล้วเรามีความทรงจำที่สามารถโตเถียงและได้และถ้าสมมุตนะิถ้าสมมุติว่ามีการปิดบังอะไรของเราที่เป็นประโยชน์สาหรับเราเราสามารถโตเถียงได้แต่มันจะไม่เป็นเช่นนั้นแน่นอน เลียวมา ล, าลม้วุลลมูนับสุดวันแห่งความตายนี่วันประโลกนี่ไม่มีใครจะไม่มีใครจะถูกซุลมุมจะถูกอธรรมแม้แต่น้อย <c oughs> ใช่ไหมแต่นี่หมายถึงว่าทุกคนนี่ก็กรู้แกใจงไงเพราะเราบอกว่าเฮลตุจิเจนะการตอบแทนนี่ไม่มีการตอบแทนนอกนอกจากที่พวกท่านขวนขวายไว้อาแสดงว่าพอตายแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ย ก็จะต้องมาดูกว่าไอตอนในโลกนี้เราเราได้ทำอะไรไว้และความทรงจำเนี่ยที่จะทำให้ผู้ศรัทธาที่เขามีสเบียงที่ดีเนี่ยสบายใจทั้งก่อนตายแล้วก็หลังตายก่อนตายเนี่ยก็จะมีความสบายใจระดับนึงฉะนั้นอุลมะได้บอกว่าตลอดชีวิตเนี่ย เราควรใช้ความยำเกรงความกลัวการลงโทษนำหน้าแต่ก่อนตายเนี่ยควรที่จะใช้ความหวังในความเมตตาของเรานำหน้าและคนที่อยู่รอบๆคนตายด้วยไม่ควรที่จะเอ่ยเรื่องไม่ดีคนใกล้จะตายแล้วให้บังมึงเสร็จแน่ ไปกินมรดกคนนู้นเคยไปชนรถเขา้าไม่ชดเขาเคยเปนู่นกันเน่ะบางมึงเสร็จแน่ถึงจะเป็นเรื่องจริงอะนะไม่ควรควรที่จะเอ่ยเรื่องดีๆตอนนั้นนะนะคนที่อยู่รอบๆนะเออไม่ต้องสิ้นหวังในความเมตตาของล้อนะบางก็ทำบุญนะบางก็รักษาเวลาลนะหมาดอย่างดีนะเองเอาเรื่องดีๆมาให้กำลังใจเขาแต่มันดีเหลือเกินนะ ไอ้คนที่เป็นคนที่ไม่หวังดีกับเราเนี่ยคนที่เขาหมั่นไส้เราอ่ะที่เขาช่วยโอกาสว่าเราก่อนตายเนี่ยก็จะได้เอาไปไปไปไปเสียดสีเอาเรื่องชั่วๆของเรานี่มาม า, มาสวมนำหน้าเราอ่ะนะถ้ามันดีเหลือเกินเน่ยถ้าคนเขาจะไปนั่งหาความชั่วของเรานี่แล้วไม่มีว่าไหม มันเป็นเรื่องดีเหลือเกินนะทั้งมนุษย์นะนะมนุษย์ที่ไม่หวังดีอะไรกับเราอ่ะนะแต่พจน์อะไรทังมีแผลอะไรไหมเมียนะไม่ ม, นะ ม, มียิ่งกว่านั้นนะถ้าอะไรก็จะมาคิดบัญชีนี่ก็ต้องเปิดสมุดเปิดสมุดในปรากฏว่าไม่มีความชั่วนี่ไม่มีหรือมีแต่น้อยผลงานนี่มันจะเกิดขึ้นยังไงอะ การที่เราพยายามที่จะไม่ให้ไม่ให้มีมลทินที่จะเป็นบาดแผลทำให้เราเสียใจก่อนตายหรือหลังตายนี่ก็เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนี่ที่เราจะต้องสะสมความดีและก็พยายามตรวจสอบบัญชีของเราเนี่ยให้ดีที่สุดะสิ่งที่ดีที่สุดที่จะเป็นเมาเป็นความปรดปรานถ้าเราได้เริ่มตรวจบัญชีของเราเนี่ยนๆ น, น, นึ่งตั้งแต่ตั้งแต่ยังยังวัยรุ่นตั้งแต่ยั ง, ยงวัยรุ่รนนะ่แล้วก็รักษารักษาประวัติรักษารักษาสมุดบัญชีไว้ให้มันขาวมันเป็นเรื่องช่างประหลาด ที่จะมีคนตั้งแต่บรรลุศาสนามาตั้งแต่วัยรุ่นนะจนตายนะไม่มีมนทินเลยมันช่างประหลาดแม้กระทั่งอัลลอฮ์สุบฮานะหัวาก็จะประหลาดใจประหลาดใจยังไงเนี่ยนี้เราไม่ต้องล่วงเกินเกินไปนะแต่ฮะดีษนบีบอกว่ายาเจบุรับบุกะมินชับบินัลสัละหุซบัวอัลลอฮ์จะแปลกใจว่ามีเยาวชนหนุ่มสาว ที่ไม่มีสาราะซ บ, บวะัวซบัวไม่มีไม่มีเรื่องซนไ่ะไม่มีเรื่องเร่งซนคำว่าซนนี่บางทีผู้ใหญ่นี่ก็มาให้ท้ายกับเด็กในเวลาทําผิดนะนะเวลาเด็กทำผเฮ้ยเด็กมันซนเด็กมันซนมันเหมือนอะเอออย่าไปอะไรกับมันมัน เด็กซนไงบางทีเนี่ยเราก็บน่นใช่ไหมบ่นเนะี่ว่าลูกเราซนแต่จริงเนี่ยแอบดีใจซนเฮ้ยนี่มันซนน่าดูเลยนี่เหนซนน่าดูซนแต่ซนนี่ในในัยยะ <c oughs> ในนัยยะสาหรับอยาว่าซนนี่ก็หมายถึงทําทำเรื่องไม่ดีอ่ะทาเรื่องเลอะเทอะใช่ไหม นบีบอกว่าอัลลอฮ์จะแปลกใจว่าจะมียาวชนหนุ่มสาวที่ไม่มีซบวัวไม่มีเรื่องสนนนะไม่มีเรื่องเลอะเทอะรักษาตลอดเลยอ่ะซึ่งเนรื่องที่เป็นเรื่องที่หายากถ้ายังมีวัยรุ่นอยู่แ่วนี้ที่ยังยังรักษาประวัติอยู่เนี่ยพยายาม รักษาประวัติตลอดไป ถ, ถ้าคนที่บอกว่าฉันนี่ป่านนี้แล้วเนี่ยอายุสี่0ิบห้าสีหสิบแล้วนี่ตอนฉันวัยรุ่นตอนฉันหรือใครทีเขาเรียกว่านุ่มแกนุ่มแกใครดีนะไม่คือไม่ใช่ไม่ใช่นุ่มคือถ้าสสบหเนี่ยอันนี้เานุ่มแกแล้วไม่ใช่ ไม่ใช่หนุ่มเออไม่ใช่หนุ่มเต็มที่แล้วเพราะแต่สี่สิบเนี่ยภาษาหรับเขาไม่ได้กว่าหนุ่มแล้วนะอย่งสี่สิบเนี่ยบ้านเราในสี่สิบเนี่ยฟิตๆเลยนะอ่าสามสิบห้ยังเป็นนายกได้เลยสี่สิบเนี่ยภาษาเราคือเด็กเกิลกิลนี่คือคอาณาเขตแก่และสี่สิบนี่คือคือสมบูรณ์ละเต็มที่ละแต่ถ้าใครแบบว่าเลยช่วงช่วงวัยรุ่นนอะ ความเป็นหนุ่มสาวแล้วอะแล้วบอกว่าโอ้มันผิดที่เชคนี่แหละที่มาเตือนตอนนี้ไม่มาเตือนฉันตอนอายุสักสิบสามสิบสี่มาสอนฉันบงังอิญผมผิดเองแต่มีทางออกอย่างพวกเราเรานี่ยผมก็ผมก็ห้าสิบห้าแล้วนะอย่างผมแล้วก็พี่น้องที่อายุใกล้ผมนี่หรือมากกว่าผมนี่ อำนาจก็อาละก็ชีวิตของชั้นเนี่ยตายตายตายตาย ต, ายตายมนติ น, นี่ก็นับไม่ทั่วยิ่งตอนหนุ่มสาวนี่โอ้โหทําอะไรมาสาราพัดทานู่ทนทํานี่ทั้งเรื่องล่วงเกินคนอื่นเรื่องรุ่งเกินหลักการของลอสุภาหนุหวตาในเมื่อยังไม่ตายอะในเมื่อยังไม่ได้เสียชีวิตนี่นะนี่คือโอกาสที่อัลลอฮ์ให้มนุษย์ทุกคน สามารถซักฟอกประวัติของตัวเองสามารถลบล้างประวัติของตัวเองเนี่ยสเสมือนคนที่ก่อนที่จะฝันเปียกก่กอนที่ผู้หญิงจะมีประจำเดือนสมุดของเขานี่สมุดบันทึกของเขานี่ขาวไม่มีไ ม, มไม่มีบากไม่มีอะไรเลยไม่มีมลทินเลยเด็กนี้ตั้งแต่เกิดจนอายุก่อนบรรลุาศาสนาพรวิขาวสะอาด และวในศา ส, ะสะนาันนี่ได้ได้ได้บอกว่าโอกาสเหล่านี้มันมีบ่อยได้คนที่ทำฮัจจ์มาบรูร์เราจะงามิ ذو نو بهي كيومي ولا دت هو أمهو ทำฮัจจ์ที่มาบรูรเนี่ยกลับกลับสู่สภาพเหมือนตอนเกิดจากมดลูกของมันดะก็คือเขาคนไปทำฮัจจ์อายุเจ็ดสิบแล้วนะโอ้โหชีวิตนี่อะไรสารพัดสรัดและนี่คือที่ไปที่มาของคนดิ ชอบไปทำฮัตในตอนแก่มันคล้ายๆเป็นธรรมเนียมสำหรับบางคนนะนะไม่ใช่ว่าไม่มีตังนะมีตังนี่มีทำไมไม่ไปอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่นอนีกสักสักหน่อยคือเขาจะเขาเข้าใจว่าหมายถึงว่าในเมื่อเขายังไม่ได้ทำฮัตเขาก็ทำได้เต็มที่ไงเต็มที่ นี่คือทําเนียมของแต่มั น, ม, น, ม, นมันเรื่องนี้ไม่ดีไงถ้าเจตนาแบบนี้เนี่ยหมายถึงว่าไว้ก่อนทําไว้ก่อนเนี่ยฉันจะได้เต็มที่นะหรือมุสลิม่าที่ไม่ยอมคุมมียามาเลยจะคุมมียาปากะค่อยกลับมาจากฮัดก่อนหมายถึงว่าก็ให้อยู่ฉันอยู่แบบสบายๆนะแต่งตัวแบบแฟชั่นแต่ไปงานนีก่ก้าไปงานสุราล์นี่ก็แต่งตัวโอ้โยางก็ยังก็นางงามซะ แต่งตัวยังก็อะไรนะบางทีเนี่ยก็อายุมากแล้วนะฮัจย์ยังอย่าเรียกฮั จ, จ์ยังยังไม่ฮัจย์พอไปทำฮัจนะกลับมาแล้วนี่อยโอยทั้งเรื่องวอร์รเรื่องแต่งตัวเรื่องอะไรนี่คลิ้งคับหมดทุกอย่างถ้าเป็นธรรมเนียมแบบนี้เนี่ยหมายถึงว่าเจตนาที่จะเลื่อนเวลาฮัจเนี่ยให้ชีวิตของเรานี่ แบบว่างอมๆก่อนนะ่ก็จะได้เต็มที่แล้วนะเต็มที่นี่หมายถึงว่าถึงจะทำความชั่วอะไรมันก็ไม่มีแรงจะทำแล้วมันมันหมดไ ม, ไม่มีพลังงานไม่มีแล้วทำยังไงอะ่ะก็ค่อยๆทำไปบัดค่อยทำความดีถ้าทำเนียมแบบนี้นะไม่ดีสแสดงว่ายังไม่เข้าใจเรื่องมิติของเวลาที่อยู่ในคำสั่งสอนว่าชีวิตนี้เนี่ยความดีเนี่ยไวรีบเร่ง ถ้ามีความสามารถมีฐานะที่จะไปทำฮัตทั้งนั้นดิอายุยังน้อยนะอย่าไปฟังนะคนที่บอกว่าโอ้แกยังไม่ได้แต่งงานเลยไว้แต่งงานก่อนบางคนเนี่ยใจเขาหนึ่งไว้แก่ก่อนไม่ต้องนะถ้ามีฐานะจะไปทำนี่ก็ไปเลยยิ่งกว่านั้นนะครับบางเรื่องที่จะทําให้เรานี่ฟอก ฟอกประวัติของเรานี่ให้ขาวสะอาดเหมือนตอนออกจากมนลูกของบรรดาโดยที่ไม่ต้องลงทุนเลยไม่ต้องไปทําัหัดไม่ต้องอะไรเลยก็คื อ, อเต้าบะการเตาบัตตัวการเตาบัตตัวเตาบะทุจุบบูมากรบิดานาบีบอกเต้าบานี่มันลบล้างทุกสิ่งทุกอย่างในอดีตถ้าจะเทียบแล้วอะนะ เาบ้านีมีความประเสริฐมากกว่าวันอัอฟะตือเส้วันออฟะมากกว่าความประเสริฐถือสนอชูรอมากกว่าความประเสริฐของการถือเส้นด้วยความศรัทธาและหวังในผลบุญอัลลอฮ์ของเดือนรอมฎอนใช่ไม่ใช่ก็ที่เราถือเส้นเดือนรอมฎอนมันซามรอมฎอนอิมานน์และอติซาบันศรัทธาในในคำสั่งของอัลลอฮ์หวังในผลบุญอัลลอฮ์เดือนรอมฎอนน่นนะอัลลอ์จะลบล้าง ความชื่อแน่ดีตลอดยังมีข้อแม่นะ่ะทศนะบงางทศนาบางก็มีข้อแม่ด้วยนะว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้ลบล้างบาปใหญ่เออยังมีอิลามีมีหานด้วยนะและ้วนอลอลบล้างบาปสองปีอาชุรอลบล้างบาปหนึ่งปีแต่นี่อัตตบะตบะนี่มเมื่อไก็ได้นะไม่ต้องรอวันอัลอนะไม่ต้องรออาชุรอนะไม่ต้องรอไปทาฮันนะไม่ เตาบ้านบ้านอะก็ได้ให้ครบเงื่อนไขครบถ้วนจริงใจมีความเสียใจในเตาบ้านนี่แต่ยุบบูมากับเล่าแล้วไม่มีอิลลาเนะี่ไม่มีข้อแม้เนี่นะลบล้างหมดเลยทั้ง บ, บาปใหญ่และบาปเล็กถ้าเราเจาะจงเตาบ้านนี่ทั้งหมดเลยทั้งบาปเล็กและ บ, บาปใหญ่ที่เราได้ทําทําไมอะ่ะเพราะมีบางคนเนี่ยหัวหมอหัวหมอยังไงเตบาบาดบางเรื่อง แล้วเรื่องนี้อนี่ยังแต่เฉพาะเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ยังแม้กระทั่งพวกหัวหมอนี่ยนะอัลลอฮฺก็ยังรับเลยนะลองคิดดูดิพวกหัวหมอยางพวกเรานี่มางทีเตบัดตาบาดนี่หมายถึงว่าเราเจตนาเต้าบาดเฉพาะเรื่องนี้เรื่องอื่นกูยังกูยังอยากรับอยู่แม้กระทั่งพวกหัวหมอนี่อัลลอฮฺก็ยังรับนะฮะลซุนนบัลจามาสุนนบัลจะมากว่าเต้าบาแบบนี้เนี่ย เขาเกเตาบยาน่เตาบาบางส่วนเฉพาะเรื่องนะเรารับบางทศนะมอดดาซีล่าเนี่ยมอรซล่าไม่ยิสุน่านะเขาก็ไม่ได้เตาบ้าถ้าจะเตาบ้านี่ตอนเต้าบัดตัวจะต้องเตาบัดตัวทุกบาปเลยส่วนทีหลังนี่จะทาไม่ทํานเรื่องนึงแต่ตอนเต้าบัดนี่เนี่ยจะได้ซ่อนนะเตาบัดของตัวเองจะได้ซ่อนต้องเต้าบัดนิยตเตาบัดทุกบาปที่ตัวเอง กำลังทำอยู่ถึงจะซะอแต่ถ้าไม่ไม่งั้นน่าก็ไม่ซะอแต่หลวงสุนทรบอกว่าถ้าเตาบัดเฉพาะเรื่องนี้ซ้อตอฟอกประวัติได้อายุเจดสิบแล้วเป็นฆาตกรฆ่าคนไป99คนและพอนึกจะเตาบัด ต, ตัวนี้ดันไปถาม คนที่ใขอันทำไมบาดาต่ไม่มีความรู้บอกว่าฉันนี่ยฆ่าคนไปเก้าสบเก้าคนแล้วฉันสามารถเตาบัตรตัวแล้วอัลลอฮฺจะรับไหมไอคนนั้นนะด้วยความที่เขามันไส้มึงยังมีหน้าจะมาเตาบัตรตัวนะโอ้ยทำไมเตบัตรตัวเด้งไงอ่ะฆ่าไปเก้าสไม่มีทางหรอกอัลลอฮ์ไม่ให้เราไม่มีทางหรอกไอนันเหมือนงมันมันมันมันฆ่าคนไงแสดงว่ามันขี้โมโหขนาดไหน มันเจอมันเจอต๊ะอิหมามคนนั้นบอกว่าไม่มีแล้วไม่รับตาบัตรนี่เนี่ยมันก็เลยค่าให้ครบร้อยเน่ยเลขมันจะได้กลมๆค่าไปร้อยคนนะพี่น้องและหนึ่งในร้อยคนนี่นะเป็นคนซาเลนะบางรายงานบอกว่าดุลูนีอาละอับดีอัลลอฮคนทีอิบัตอัลลอฮ์มากที่สุดในโลกเนี้ค่าไปนะไม่ธรรมดานะค่าคนที่ขยันทําไมมันมากที่สุดเนี่ย่าไปเลย หนึ่งร้อคนฆ่าคนเดียวนี่ก็แทบจะไม่รอดไม่รอดแล้วอับดุลรับเนี่ยอับบาสมีทัศน์บอกว่าฆ่าชีวิตนี่นะอล l l a h ไม่รัดเตาบัดอับดุลรับเนี่ย บ, บาสมีทัศน์แบบนั้นและบางรายงานบอกว่าอับดุลรับเนี่ยอับบาสเนี่ยถอนทัศนะนี้แล้วเนี่ยแล้วก็มีทัศนะเห็นด้วยกับส่วนมากว่าการฆ่าตะกรฆ่าตกรรมเนี่ยสามารถเตาบัดตัวได้แต่เขาฆ่าไปร้อยคนแล้วเนี่ย พอไปถามคนที่มีความรู้เขาบอกว่ามัน oh, ยัออว่วลูไปนะเขาไปนะฮะใครที่จะใครที่จะมีอำนาจห้ามเจ้าไม่ให้เต้าบัด ต, ตัวได้ใครจะห้ามได้เต้าบาตัวต้องเข้าใจนะไอ้ฆาตกรเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเป็นฆาตกรแล้วเขาจะละหมาดห้าวกระตูหือซิ่นอดดรรมอดอนแล้วก็ไปทำฮัดแล้วก็ออกสกัดคงคงไม่ที่ยงนั้นนะ ฆาตกรเนี่ก็ต้องมีบาปอื่นด้วยไงเพราะถึงขั้นดิด้นับสูชีวิตกล้าที่จะเอาชีวิตของคนอื่นเนี่ยแสดงว่าเขไม่สนใจอะไรแล้วบาปของเขาเนี่คงเพียบอ่ะถ้าไม่ใช่ฆาตกรนี่นะถ้าเป็นขโมยหรือเป็นคนทําสินาหรืออะไรเงี้ยก็อาจเป็นไปได้เนี่ยว่าอาจจะมีทำมาเรยียงอื่นนะทําบุญอย่างอื่นนะเป็นไปได้แต่ฆาตกรนี่คือสุดแล้ว ประวัติคิดดูสิฆาตรกรร้อยคนเท่าที่เคยอ่านประวัติของพวกฆาตรกรพวกที่เ ข, ขาเรียกฆาตกรต่อเนื่องอ่ะคนเรียกฆาตรกรต่อเนื่องะไม่ถึงร้อยนะใช่ไหมไอ้ยังเจ๋วเจ๋วเนี่ยที่ททชอบฆ่าผู้หญิงกันน่ะนะสามสิบคนสี่สิบคนอะไรเงี้ยร้อยหนึ่งหนึ่โอทุบสถิติน่ะ ไปดูดิอัลลอฮฺสุภาโนเวลาคนนี้เดินไปหาอัลลอฮฺนี่อย่างที่ท่านน บ, บีบอกในอะดิสกนลีเนี่ยใครที่เดินไปหาอัลลอฮฺแล้วจะวิ่งมาใครที่ใครที่ไปหาอัลลอฮฺนี่คืบหนึ่งเราจะม า, มาหาศอกหนึ่งเรื่องจริ ง, จ ร, งจริงเลยเนะี่ยอะดิสซีเป็นตมุสลิมนะท่านน บ, บีบอกว่าไอข้าตาก ค, คนนี้เนี่ยพอไปถามผู้รู้เนี่ยผู้รู้จะบอกว่าผู้รู้เขาก็เติมัดได้แต่เองจะอยู่ในเมือง แห่งความชั่วที่เชิญชวนให้ให้เองกล้าหรือเกินในการที่จะฆ่าคนอื่นนี่ไม่อยู่ไม่ได้เองต้องฮิจาระไปเมืองที่มีคนดีชวนทำความดีและการฮิจาระนี่น่คือเป็นการประกาศเตาบ้าที่ชัดเจนสำหรับเจ้าแต่ถ้ายัางเตาบ้าตัวยังอยู่ยังอยู่กับเมืองนี่นะแสดงว่าไม่จริงใจไม่จริงใจในการเตาบัตัวถ้าสินใจเตาบัตัวนี่ยังไม่ได ยังไม่ได้ละหมาดยังไม่ได้ทํำไมประเด็ไม่ทำอะไรเลยเดินทางเดินทางไปเมืองแห่งความดีอาชลเกิดขึ้นก่อนที่จะถึงเมืองแห่งความดีตายตายซะก่อนบางรายงานบอกว่ามาลาอกิกาตอนที่จะมายึดวิญญาณของเขาเนีเขาก็พยายามขานหมายถึงว่าวิญญาณกำลังออกหนีเขาก็ขานขานไปสู่เมืองแห่งความดี ขอตายแล้วนี่นะมาลากาแห่งความเมตตาและมาลากาแห่งการลงโทษนี่มามาแย่งวุญญาณวุญญาณนี่ต้องไปนรกอย่างเดียวฆาตกรข่าไปร้อยคนหนึ่งในนั้นนะ่ะคนซาเลคนดีของอัลลอฮ์คนซาเลคนดีของอัลลอฮ์มาลากาแห่งความเมตตาบอกว่าข้อตัวบัตรตัวแล้วนี่มาลากาสองกลุ่มนี่นะขัดแย้งกัน อแต่มาเลกัเนี่ยเขาเขาอุลามานี่ในฮะดิษ น, นี่เป็นหลักฐานของอุลมามะที่บอกว่ามาเลย์เขาก็มีสติเขาก็คิดเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าปฏิบัติตามคําสั่งใช่ถ้าเป็นคําสั่งเขาก็ปฏิบัติทั้งสองกลุ่มนีนะเขาก็ปฏิบัติคําสั่งไอ้ที่จะเอาวิญญาณไปนรกเนี่ยบอกว่าอา้าวขตกุณไอ้ที่จะอาวิญญาณแห่งความเมตตาเนี่ยบอกว่ามันต้องบักตัวเร็ว ทั้งสองกลุ่มเนี่ยปฏิบัติตามคําสั่งแต่ไอเรื่องคําสั่งบางอย่างนี่มันดูเหมือนจะแย้งกันอัาลลอฮฺจะส่งมาลายกาคนหนึ่งท่านหนึ่งส่งมาลายกาท่านหนึ่งแต่ให้แปลงร่างเป็นมนุษย์เพราะจะส่งมาลายกานี่มาลายกาด้วยกันนะแลเรจะให้มาลายกามาตัดสินนี่ก็คงไม่ยอมส่งมาลายกาในรูปร่างของมนุษย์ คือมาลายกาไม่รู้ว่าเป็นมาลายกานะรู้ว่านี่คือมนุษย์เขาก็เลยชวนมนุษย์คนนี้มาตัดสินเวลามาได้อ้างฮะดีสนี้เนว่านี่แสดงถึงความประเสริฐของมนุษย์ ว, ษยยยว่าสติของมนุษย์เนี่ยย่อมเหนือกว่าสติของมลายกาปรึกษามนุษย์คนนี้ในร่างมนุษย์นะะว่าทํายังไงดีคนนี้นี่มันฆ่าไปร้อยคนมาลายกาคนนี้มันเต้าบัตตัว อะไรก็ที่แปลงร่างนี่เป็นมนุษย์นี่บอกว่าให้วัดระหว่างสองเมืองอยู่เมืองใกล้ไหนใกล้เมืองไหนนี่ก็ถือว่าเป็นชาวเมืองนั่นคือเขามาใต้ระหว่างสองเมือง่ยถ้าอยู่ใกล้เมืองแห่งความชั่วก็ถือว่าเป็นคนชั่วไปเลยนี่ก็จบให้มาเลก้าแห่งการลงโทษดียกไปไปวัดนะครับมาเลก้าไม่วัดนี่เพราะว่า ใกล้กว่าเมืองแห่งความดีหนึ่งคืบหนึ่งคืบชะตากรรมของเรานี่หนึ่งคืบหนึ่งคืบนี่อีตอนที่เขากํะลังคาอยู่ป่าก็ไม่ก็ไม่แน่นะแต่การที่เขาคานไปหามเมืองแห่งความดีนั่นคือความตั้งใจของเขาไงวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเขามุ่งมั่นกับอำนาจกว่าฉันต้องการเปลี่ยนแปลงจริงๆ หนึ่งคืบเนี่ยกำหนดชตากรรมของเขาว่าเขาเป็นเป็นชาวเมืองแห่งความดีเอาแล้วตกลงถูกตัดสินว่าเป็นคนดีเนี่ยเป็นชาวเมืองความดีนี่ก็แสดงว่าบาปฆาตกรรมทั้งหมดนี้นะเมื่อในเมื่ออัลลอฮ์รับเตาบัตของเขาเนี่แสดงว่าบาปนั้นนะ่ะมันถูกถูกล้างไปบางคบอกว่าเอา้า นี่ฆ่าคนนะ่ยมันไม่ใช่ฮักกุลอาดัมเหรอนี่สิทธิของมนุษย์ไม่ใช่เหรอแต่เต้าบั้นนี่อัลลอฮ์จะยกได้ไงนี่ก็เป็นหลักฐานเหมือนกันของอุลมามะบางท่านบอกว่าคนที่ทำบาปอันมีสิทธิของมนมุษย์พ่วงไปด้วยมีความเป็นไปได้ที่อัมมลลอฮ์ سبحانه และก็จะรับเต้าบั้นตั ว, ตวโดยรับ การเคียสิทธิของมนุษย์ทีมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเราจะเป็นผู้จัดการให้เคียให้เป็นไปได้นี่หมายรวมว่าฟอกประวัติของตัวเองที่ฆ่ามนุษย์ไปร้อยคนอันนี้อันนี้คือบาปที่มันชัดๆนะจึงถูกเอ่ยไงอย่างที่บอกว่าฆาตกรนี่ต้องคงต้องต้องมีเรื่องอื่นนะ แต่นี่เตาบัดตัวนี้หมายถึงว่ารับเร่องขฮิสี่สอยอ่ะจะมานั้งทีความอะไรกันไมนี่ไม่ไมีผลหรอกฮานิสไซนชัดเจนเลยอัลลอฮ์รับเตาบัดของเขาในระยะเวลาสันส้นๆในโลกดุนยานี้คือในวาระสุดท้ายก่อนเสียชีวิตโดยที่ยังไม่ได้ทำความดีเลยและนี่อยู่ในคำว่าอิลลาบิมากุนตุมตทกซิบุน แต่ไม่ถูกตอบแทนนอกจากที่พบัวคันขนขวายไว้เขาขนขวายอะไรอ่าก็ไม่ได้ละหมาดไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทําอะไรเลยทําสิเขาทําอะไรอะเรื่องเดียวทําอะไรอะเตาบัดตั ว, ตตวโอ้โห و, การเตาบัด ต, ตัวเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นที่สามารถลบล้างมนทิความชั่วนขนาดนั้นเหลยใช่เขาบอกว่านี่แหละการเดินทางไปหาอล l l a h เนี่ยเราเราไม่ได้วัดระยะ ระยะห่างเนี่ยด้วยด้วยระยะห่างธรรมดาเหมือนทั่วไปนะการเดินทางไปหาอามา้องนี่นะระยะทางนี่มันจะเดินด้วยหัวใจไม่ใช่เดินด้วยเท้าไม่ใช่นั่งเครื่องแต่มานั่งคิดวนแล้วไอ้คนที่ข้าตัวตายนี่ไม่มีไม่มีหลักฐานในตัวบทุท ไม่มีรายละเอียดในตัวบทตัวตอนที่เขาคิดจะเติบบัดตัวนี่เขาแก่เรื่งหมาถึงว่านึกจะเติบบัตตัวนี่ตอนอายุมากแล้วเปล่าไม่มีอ่าเราเรามาลองนึกดูถ้าสมมติว่าเขายังยังหนุ่มอยู่นะถ้าสมมติว่าในนหนุ่มอยู่แล้วการนึกจะเติบบัตตัวอันนี้แสดงว่าเขาเติบบัตตัวในช่วงเวลาที่กําลังฟิตอยู่ อย่างมีอนาคตอยู่นะฆาตกรร้อยคนและยังหนุ่มโอ้โหนี่เธออายุสัง 50, 60, ่งห้าสิบหกสิบนี่ก็คงฆ่าคนเป็นพันนะแต่นี่รีบรีบเตาบัดตัวนี่ก็แสดงว่าเป็นเหตุผลเป็นเหตุผลว่าการเตาบัดตัวของเขาเนี่ยมีความจริงใจเพราะมันเกิดสำหรับมันเกิด มันเกิดจากคนที่รู้รู้ภัยของบาปจริงๆทั้ทงนั้นดีเขายังมีอนาคตที่สามารถทำบาปได้อีกเยอะแต่เขาไม่เอาแล้วเขารู้ว่ามันมันไม่มันไม่มันไม่ได้ผลอันนี้กรณีถ้าเขาเป็นหนุมนะแล้วถ้าเ็าคนคนแก่ล่ะถ้าคนแก่แล้วก็หมายถึงว่าใกล้จะเสียชีวิตแล้ววะนะก็เช่นเดียวกัน ถ้าเขาอายุมากแล้วแล้วคิดใกล้จะตายแล้วแสดงว่าเขารู้คุณค่าเขาได้รู้คุณค่าของเวลาแล้วไอระยะเวลาสั้นๆนี่นะในเมื่ออัลลอฮฺยังให้เขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาทาในสิ่งที่ดีกว่าที่เขาเคยทำก่อนหน้านี้ไหมทั้งสองกรณีกรณีเป็นหนุ่มหรือกรณีแก่แล้ววะนะมันให้เห็นว่า คนที่เห็นคุณค่าของเวลาในการรีบเร่งกับเนื้อกับตัวเตาบัตรตัวนี่แน่ น, น่นรับชัยชนะอย่างแน่นอนแต่มันก็ให้เห็นเช่นเดียวกันว่าที่ยวเราบอกว่าพวกเจ้าจะถูกตอบแทนจะไม่ถูกตอบแทนนอกจากสิ่งที่พวกเจ้านี่ขวนขวายนี่หมายถึงว่าสิ่งที่เราได้ขวนขวายด้วยหัวใจอาเลสนอลเะมารานี่เขาจะบอกว่าอามัลละการกระทำมันะ อามั ล, ลการกระทาเนี่ยมันเป็นการกระทำสามมิติการกระทาของอวัยวะอันนี้แน่นอนอวัยวะกระทาความดีละมาดเดินไปละมาดไปจิฮัตหัวใจไม่ใช่ลิ้นการกระทาของลิ้นนี่คือการที่ลิ้นนี่กล่าวพูดในสิ่งที่ดี การปฏิบัติของลินการปฏิบัติของหัวใจล่ะอามะลุลกลบีนี่เป็นเรื่องสําคัญนะเพราะอัลลุซุนะอัลจมานี่เขามีอคิดว่าอัลอิมานว่าเขาลุนวาอามันอิมานนั่นเป็นคําพูดและการกระทําเป็นคําพูดและการกระทำอุลีมาได้บอกว่าอัลลุซุนนี่เขาได้อธิบายบอกว่า เป็นการพูดและการกระทำทั้งสามมิติหัวใจพูดและกระทำลิ้นพูดและกระทำอวัยวะมันก็พูดและกระทำเช่นเดียวกันที่สำคัญเนี่ยซึ่งซึ่งแต่ละมิติเนี่ยมันก็มีทีตความของมันนะนะแต่หัวใจเนี่ยปฏิบัติยังไงจะยกตัวอย่างลิ न, ้นอีกลิ้นเนี่ยลิ้นเนี่ปฏิบัตินี่พูดใช่ไหม อ่ากุศลนี่นี่ปฏิบัติของลิ้นนี่คือหันกุศลลิ้นพูดอย่างเงี้ยลิ้นพูดการดีการดีลิ้นการดีลิ้นเนี่ยมันมันกล่าวถึงอีมานอุลามะได้บอกว่ากล่าวถึงอีมานเนี่ยแม้กระทั่งในท่าที่ลิ้นเนี่ยไม่กระดิกเช่นนาบีได้บอกว่า มันแคกจะยุ ي ي ي ي ่มนุ้ว์ลาเหวียวยาวันอลกังนีก็จงยคืการที่มันีกรืี่มันีการที่มันีกาที่มันจะารทนะมรท่ัะีการี่นจงีการที่มันีร่มงนจะีาที่มันจะกรที่มันมีการ่นีารที่นจารท่นีรท่นีี่ปฏนบะมีกาที่นจท่มันจะมารทนจรื่มนมีาี่มันจา่ะก่จะมีกาวี่นีา่มนะรที่มันีก่มนะมี แต่เมเนยียมเกรงอัลลอฮ์เนี่ยมันไม่พูดมันนิ่งนี่นนี่คือนี่คือการการกล่าวดีของลิ้นหัวใจเช่นเดียวกันหัวใจในศรัทธาอันนี้อธิบายอธิบายได้หัวใจศรัทธาเชื่ออธิบายได้แต่หัวใจปฏิบัติละ่ะอัลลอฮ์ได้บอกว่ารักอัลลอฮ์รัก الله, รัศูลรักผู้ศรัทธานี่ ป, นปฏิบัติ ปฏิบัติของหัวใจเช่นนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติและนี่คือการปฏิบัติที่จะอยู่ในองค์ประกอบของคำว่าขนขวายจะถูกตอบแทนตามที่เราขนขวายเนี่ยที่ดีปฏิบัติของหัวใจที่ดีรักเพื่ออัลลอ์รักในสิ่งที่ดีหัวใจนี่มีความสวามีพักต่อคาสั่งสอนของพระเจ้า มีความเชื่อมั่นในคําสั่งสอนของอัลลอฮ์คำสัญญามัน่นของอัลลอฮ์มีทั้งหมดนี่เป็นการปฏิบัติที่มีผลบุญคนที่ฆ่าร้อยชีวิตเนี่ยเขาไม่ได้ทําไอมบาดาอะไรเลยนะพอได้รับข่าวดีจากผู้รู้ว่าเขาเขาตระบทัวได้แต่ต้องอพยพต้องฮิจราะไปเมืองแห่งความดีนะเรื่องแรกที่เขาทานี่ก็คือฮิจราะไงเอาแล้วก็ไม่ปฏิบัติอะไรก่อนไม่อาบน้ำเจ็นน้มาก่อนไม่อะไรเดี๋ยวค่อยว่ากัน เดี๋ยวเคยว่ากันแต่ผู้รู้ตอนนั้นเน่ยเขาไม่มีความรู้นอกจากที่ได้จากผู้รู้คนนี้และผู้รู้เขาไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรเลยมากกว่าเรื่องนี้บอกว่าจะได้เตาบัด ต, ตัวจริงๆนะนะเจ้าต้องฮิจลอกก่อนและนี่คือการมองไกลของผู้รู้ผู้รู้นี่สามารถบอกได้ว่าโอ้เอ็งไปฆ่าเขามาเยุ่งกับบ้านไปอาบน้ำํำแล้วละหมาดสองร้อกระดับ เต้าบัดตัวสกักนกะ่อนนแล้วก็ค่อยทำบุญนะคงผู้รู้คนนี้เนะ่คงเห็นว่าเรื่องธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยมันไม่สามารถสร้างแผ่นดินไหวในชีวิตของคนที่กำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองมันเป็นเรื่องเชยสำหรับการมองไกลของผู้รูอ้อถ้าจะต้ววาบัดตัวจริงๆนะ อย่านูอ ย, าอยู่นี่เลยไปรีบไปก่อนหมายถึงว่าอย่ามาอย่ามาอ้างว่าฉันจะอยู่ที่นี่ทําความดีกันในเมื่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่ได้ชวนแกทําความดีมาตลอดชีวิตเนี่เมื่อแต่ชวนไปฆ่าคนอื่นเขาและทีจะเต้าบัดตัวนี่มันจะช่วยได้อะรีบไปก่อนรีบออกจากที่ออกจากตรงนี้เลยไปที่อื่นซะอ้าวแล้วก็ผู้รู้ทํำไมเขาไม่หิจราบไปด้วยล่ะใช่ใช่ใช่ เขาจะเข้าฮิจราณีฆาตาการคนฆาตาการคนนี้คงจะไม่เจอผู้รู้ถ้าเขาบอกว่าเออเมืองนี้มีแต่พวกฆาตาการชวนคนฆ่าอย่างเดียวเนะี่ยอยู่ทําไมฉันไปดีกว่านะไอฆาตาการแบบนี้เนี่ยถ้าจะหาผู้รู้จะได้ให้ทางนําให้ตักเตือนเขาก็ไม่มีไปกันหมดบ้างทีเราอยู่ในพื้นที่ที่เราไม่ประสงค์ที่จะอยู่ทํางานในพื้นที่ในบรรยากาศใน สิ่งแวดล้อมที่เราไม่ประสงค์แต่ถ้าเราพิจารณาดีนี่อัลลอฮฺสุบฮานาอัละอาจะเลือกเราเลือกเราให้เป็นทางนำสำหรับคนอื่นก็ได้เลือกเราได้เป็นเส้นทางได้เป็นผู้เบิกทางให้คนอื่นก็ได้ข้ารากรคนนี้เนี่ยก็คงคงบอก็อดุบฉันต้องไปก่อน เรื่องจะทำความ د د, ดีเดี๋ยวค่อยไปทำความดีที่นั่นนั่นหมายรวมว่าในสมุดบัญชีของเขาเนี่ยมันยังไม่มีความดีอะไรนอกจากความตั้งใจเตาบัตตัวจึงจะเห็นคุณค่าของการเปลี่ยนแปลงเตาบัตตัวเองทุกวันทุกวันนบีได้บอกยายูฮันนัสตูบอิลลอฮีวัสต์กฟรูบันตะดี บ, บ, บุ خ ا รีมุสลิม ตูบอิลลอฮิวาสตักฟิรูโอมนุษย์ทังหลายพวกท่านเด็ตรงเตบัดตัวและขออภัยทต่อ Allah ف إ ن ي أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100ครั้งท่านเด็กเต้าบัดตัวและขออภัยทต่อ Allah นี่วันหนึ่งหนึ่งร้อครั้งวันหนึ่งหนึ่งครั้งนพี่มีประโยชน์สิครับ เราไม่ร nee, ู <softly> ้นี่ยไปทําอะไรมาไปทําบาปไปเมาเสียอะไรมาแต่ทุกวันทุกเวลาละหมาดอัศการยามเช้ายามเย็นเวลาที่เรานั่งมีสมาธินี่ก็กล่าวสตุภูริลลาห์อัตูบุลเละเราไม่เนื้อสตุภูริเกวัตูบุลเละอกและตั้งใจเตบัดตัวจากทุกบาปความตายธรามาช่วงนั้นพอดีแล้วเรามีความบริสุทธิ์ใจในการเตาบัดตัว ไม่เนี่ยชีวิตของเราที่ทำไมบาดาอะไรมากมายเนี่ยอาจจะไม่มีประโยชน์เลยนะแต่ความตั้งใจความบริสุทธิ์ใจของเราตอนที่ไปตบตัตรตตอนนั้นนะ น, นะอาจจะมีประโยชน์เหมือนที่ได้ประโยชน์กับคนที่ค่าชีวิตไปร้อยร้อยชีวิตก็ได้และเรื่องนี้มันก็จะทำให้เราได้เห็นคุณค่าของความดีที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวมนุษย์แต่และคน โดยที่เขาไม่ได้เปิดเผยให้คนอื่นเนี่ยได้ระมัดระวังในการตัดสินคนอื่นระมัดระวังเห็นคนเขาทาความชั่วเห็นคนเขาอยู่ในสภาพที่น่าสมเพชทําความชั่วยังเปิดเผยเราอย่ารีบสรุปคนที่เราได้เห็นความชั่วเขาเป็นเป็นส่วนมากของพฤติกรรมนะ แต่เพิ่งสรุปกีมากน้อยเนี่ยคนประเภทเนี้ทำความชั่วในชีวิตเนี่ยซะเยอะเลยแต่ตอนตายนี่นะเราเห็นเขาตายอย่างสง่า ง, งามเป็นเรื่องแปลกมากตายอย่างสง่า ง, งามตายตอนสุญูดงตายกําลังอ่านกุรานทั้งเรื่องในชีวิตของเขาเนี่ยอาจจะมีมณทินอะไรเยอะๆมีเรื่องที่ อุลมาที่ตูนิเซียเล่าด้วยตัวเองผมเคยเล่าน้องฟังหลายปีละน่าจะเจ็ดแปดปีแล้วกำลังนึกชื่อของอุลามาคนนี้อุลามาที่ตูนิเซียก็ก็ตอนตอนนี้เขาวัยรุ่นนะตอนนี้เขายังเยาวชนนะนะเขาเขาขายันดาวางแตะเขาละหมาทุกวันละหมาที่มัสยิดละหมาสุโบที่มัสยิดทุกวันเลยนี่มีวันนึ่งะ เขาไปละหมาดที่ละหมาดมัสยิดซุ ป, ปอร์ติมัสยิดเนี่ยจะเข้ามัสยิดนี่ยปรากฏว่ามีคนเมาเมาเมาเ ม, มาเอ๋เลยนะอยู่หน้ามัสยิดเขาก็เลยไปดาวาเขเฮ้ยต้าบัด ต, ตัวซะเต้าบัด ต, ตัวละหมาดถ้าอะไรของไอคนที่เมาคนนั้นนะถ้าอะไรเนี่ยเนะี่ยไปไปเลยไปเลย ไม่รู้พูดเพราะเมาเพราะบางคนเนี่ยเวลาเขาเมาอ่ะเวลาอะไระมันปิ้งนลยนะต้องทําไม่ได้คือลองคิดดูสิคนเขาเมาทั้งคืนเนี่ยแล้วก็คือคงจะกลับบ้านไม่ถูงแล้วก็มาถ้ามาสิทธิ์อ่ะเขามาสิทิ์อ่ะไปไปเลยมาสิทิ์ไปเขาอะไรไปเลยเขาก็พาไปีอาบน้ําละหมาดเนี่ยไปอาบ น, น้ําละหมาด ล้เข้ามื่อสิบเนี่ยแต่แน่นอนน่ยพี่ต้องรู้เวลาคนเขาเมาเมาเนี่ก็แสดงว่ากินเยอะใช่มะแล้วก็กินกินมันต้องมันกินเล่ามันฟุ้งอะ่ะขอให้ถูฟันแค่ไหนนี่มันก็ไม่หายหรอกเข้ามื่อสิดนี่กินฟุ้งเลยเนี่ยคนที่เข้ามื่อสิดกันลังที่กลัวอ่านกุรอ่านนี่พอไอ้นี่เข้านี่หนานแล้วมันกินไงกินมันอี่แรงมากเลยแล้วมันเรียกไอ้ไอด้อดุมไอด้ดุมคนนั้นนะ่ะซึ่งเป็น หังนี้เป็นผู้รู้คนดังมากเลยนะดูดิกำลังนึกชื่นเฮ้ยเอาอะไรมาเนี่ยเอาข้าสุูเรานี่เขาบอกคนก็จะมาละมานี่จะไปห้ามได้ไงจะไปห้ามคนได้ไงไม่ไม่ใช่ห้ามนี่แ ล, ล้วบอกว่าไม่ได้คนเมานี่ยมาละหมาดไม่ได้ก็มีเหตุผลของเขาคนเมาจะละหมาดได้ไงอะแ ล, ล้บอกว่าละตะค ร, บระับุสซาลาต์วอันตุมสุคาร ไอหนุ่มนั่นนะไม่รู้จะเถียงไงไปไม่ถูกแล้วอะ่ะมัน ม, มันเป็นเหตุเป็นผลไงแต่เขาจะไล่อ่ะเขาจะไล่คนไล่เลยนะไอนี่เขารับไม่ได้เขาบอกว่าคุณจะไล่เข า, าหนึ่งเข้ามาหาร์ดลอนคุณจะไล่เขาได้ไงไอทีนี้ไอหนุ่มคนนี้เนะี่ยไม่รู้จะเถียงยังไงแล้วนะ่ะทีนี้ไอคนเมาเนี่ยไม่ยอมแล้ะอุจละมา มาจะมาไล่เขาเนี่ไม่ไปกูไม่ไปแหละเอาไปเถียงกับคนเมาสิประสบความสําเร็จไหมกัคนไม่มีทางกับคนเมาเลยจบเลยกูจะละหมาดละหมาดละหมาดในรค า, าที่สองนี่สูดนี่ไม่ลุกเลยเสียชีวิตในละหมาดคือมสัสยิดมีครู้เลยเครองให้ทังมสัสยิดเลย คือเขารู้เนีว่าถ้าอัลลอฮ์สุบฮานะวะได้จะเลือกใครอะเลือกใครให้เป็นคนของอัลลอฮ์เนี่ยแล้วใครจะห้ามละ่ะชีวิตของเขานี่ก็คงนี่แหละแบบม่อยู่กับเ ล, ล่าตลอดไงแต่ถ้าเราจะเลือกให้คนคนนี้นี่นะ ม, มาเลือกชีวิตแล้วจะเลิกเลกที่ไหนเลิกที่มัสีิดดนะในท่าสูญู ด, ดีนะมีมันมีให้เห็นไงอย่าดูถูกคนอื่นเราไม่รู้หรอก เห็นคนเขาอยู่ในสภาพที่แย่ๆนี่ก็ขอด้วยขอด้วยเราไม่รู้เนี่ยที่จริงเนี่ยเราเองก็ต้องมีอุทธรณ์ให้ตัวเราเองนะตัวเราเองเนี่ยทุสมมติว่าเรายกอุทธรณ์เนยว่าตัวเองเนี่ยเป็นเขาละ่ะถ้าเราเป็นคนชั่วแบบนี้เราไม่อยากจะได้มีโอกาสปรับตัวบ้างหรือแต่เวลาเราจะเตือนคนอื่นเนี่ยเราจะเร่งต้องเดินนี่ต้อง เราต้องเผื่อให้เขาบาเราไม่รู้่ะระหว่างเขากับอัลลอฮฺจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่เราต้องเตือนตัวเราไม่ใช่เรื่องตำาหน่งเขาเรว่าแล้วเขาเนี่ยได้รับการตักเตือนได้รับการเชิญชวนจากเราเพียงพอมากน้อยแค่ไหนะอันนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของเราและที่เราต้องมาตรวจสอบตัวเองไปว่าคนอื่นว่าเขาทำความชั่วแล้วก็ที่เขาำความชั่วเพราะเขาไม่รู้หรือเปล่าเพอะยังไม่มีคนไปเชิญชวนเขาหรือเปล่า นี่สิ่งที่น่าคิดมากกว่าตั้งใจจะอธิบายสักอกอาย่าวันนี้นะครับแต่ฆาตอนทําให้เราไปไหนไม่ได้ก็คงจะต้องฝากกับพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับสนุว่าฮวนี่เลยว่ามาด่วินะทุกท่มีคาถามไหมจากท่านพิธันตอร้อยบทนะครับการมีความขัดแย้งในระหว่างภรายการสองฝ่ายทั้งทั้ทงที่ทังท่ทาที่ขั้นตรตัวนี้เนี่ย ตัลเย่แล้วก็สุนทรียก็รู้เสริเร่องระยะทางเละหลังการที่แสดงว่าการตบัดตัวเดียวไม่พอไม่พอที่จะไม่พอเขาตัก็ไม่แน่นะสำหรับคนคนนี้เนี่ยเขาต้องแสดงออกอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งการแสดงออกของเขาเนี่ยก็คือเดินทางฮิจโรฮิจโรนี่มันก็คือการแสดงออกแต่บางทีในการตบัดตัวนี่ โดยสภาพของการต้าบาตัวนี่มันไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นที่จะเป็นเงื่อนไขนอกจากการปฏิบัติของหัวใจเอาไปดูในเงื่อนไขของการต้าบาตัวนี่หนึ่งตั้งใจว่าจะไม่ทําอีกเสียใจในบาปที่เคยทํามาก่อนหน้านี้แล้วถ้าเป็นสิทธิของมนุษย์ด้วยกันเนี่ยก็ต้องไปขอม า, อาเขาต้องไปขอไปเขาการกลับเนือ้อกลับตัวนี่มันไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรใหมย่ยถึงว่าการละหมาต่อมาตัวไม่ได้เป็นเงื่อนไข อุลามาไม่ได้บอกว่าเป็นเงื่อนไขแต่ถ้าละหมาดก็ดีแต่ถ้าไม่ละหมาดล่ะแต่แค่ตองปฏตัวเนี่ยโดยลิ้นโดยหัวใจด้วยความตั้งใจเพียงพอไหมเพียงพอแล้วใครจะใครจะตัดสินล่ะรอนไม่ใช่เราเนี่ยเราไม่รู้น้าตองปฏตัวนี่แม้กระทั่งตัวเราเองที่ตองปฏตัวนี่เราไม่สามารถฟันธงว่าอัลลอฮ์ตอบรับตองปฏตัวหรือไม่แต่อุลามาเนี่บอกว่ามันจะรู้จากสภาพคนนี่กับเนื้อกับตัวนี่จะรู้จากสภาพชีวิตของเขามันฟ้อง ว่าเขากลับเนื้อกลับตัวจริงหรือไม่การัที่มารู้นรลบงางาอรบ้านดีมากอ่านได้งอเลหมายถึงว่าไปตไปทาฮัตแล้ว้วก็ลบล้างแล้วแล้วก็กลับมาก็มีเตอร์ใหม่แล้วเขาไปไปทาฮัตใหม่มันสามารถจะลบล้างหรือจะสามารถลบล้างได้ไม่แม่กี่ยวกการเตาบัรตัวการกลับเนื้อกลับตัวแล้วก็บอกว่า ตอนกลับเนื้อกับตัวก็สัญญากับเอาแม้ว่าจะไม่ทําอีกแล้วแต่ทีหลังก็งมาแล้วก็มาทําอีกทำยังไงอ่ะก็ต้องตองบตัวอีกต้องตบตัวอีกอาแล้วก็ถ้าตบตัวอีกแล้วก็กลับมาทําอีกต้องทําอะไรต้องไม่ตบตัวละเฮ้ยฉันนี่นะฉันนี่นาะยแย่ตบัตุทกทีนี่นะเขาเบี้ยวแบบฉันนี่นะอ้าแม้ว่าไม่เอาแล้ว ฉันไปอยู่กับคนชั่วไปทำความชั่วกับคนชั่วดีกว่าเพราะคนอย่างฉันนี่นะเตาบาดยังไงมันก็ไม่ไม่สำเร็จนี่คือความสิ้นหวังในความไม่ต่างอัลล์นี่เป็นบาปใหญ่กว่าบาปอื่นๆที่เขาได้ทำไว้เอาแล้วก็สรุปแล้วต้องทำยังไงเตาบาดตัวไม่มีทางเลือกในรายการศาสนานี้ไม่มีทางเลือ ก, ก, นนกอื่นแม้แต่นั่ง ฮ asan Basri นี่ยุคสลับนี่เขาบอกว่าไอ้การเตบัดตัวการเตาบัดตัวแล้วก็กลับมาทําอีกเนี่ยมันเป็นการเตาบัดตัวที่ต้องการเตาบัดตัวนด้บอกว่าหมายถึงว่าตัวเตาบ้าแบบชนิดที่บิดพิวอ่ะคือเตาบัดกับเนื้อกับตัวแต่แฝงความตั้งใจว่าจะกลับมาทําอีกนะไอ้เตาบัดชนิดเนี้ยต้องเป็นสิ่งที่ถูกเตบัดตัวต้องไม่ไม่ทำเนี่ย ไม่ทำแบบนี้อีกสรุปแล้วตลอดชีวิตเนี่ยเราต้องแสวงหาการกับเนื้อกับตัวที่บริสุทธิ์ไม่มีทางเลือกถ้ากาลับไม่ก็แหละก็แสดงว่าตาบาดที่เราเคยทำนี่มันมันไม่สมบูรณ์มาเตาบามาตัวมาอีกเอาเอาให้ดีกว่านั้นอีกถ้ากลับไมอ่อาีกมาเตาบามาตัวอีกแล้วก็ทำให้ดีกว่านั้นอีกตลอดไปไม่มีทางเลือกต้องทาแบบนี้ตลอดแลวมันเป็น choice เป็นทางเลือกที่ดีกว่าทางเลือกทีไท่ไม่ตระบาตัวเลยเดี๋เขาบอกว่าเบื่อล้วเบื่อละวพอตระบาดทุกทีเนี่ยฉันจะกลับมาทําอีกได้อย่างงั้นอย่างงั้นเลือกละไม่ตรงบาดตัวแล้วทํายังไงอ่ะเดี๋ยวรอให้ออมน้อยอีดายะฉันเลยมันไม่ใชทางเลือกที่ดีเลยมันไม่ใชทางเลือกที่ดีคนที่ประวิงเวลาที่จะตระบาตัวนีะครับการตระบาดของพขาครับมัน มีโอกาสไหมครับที่หมายถึงว่าเรื่องจากก่อนอันนี้เขาปรวิงเวลามาตลอดมันอาจจะการเป็นเหตุว่าเขาในการการตอบรับของเขาจะไม่บริสุทธไม่ไม่บริสุทธิ์ใจเเขาประวิงเพราะเพราะกลัวจะไม่บริสุทธิ์เหรอมม่หมายว่าคือหมายถึงว่าก่อนอันนี้ครับเขายังไม่ยอมตอัสักเทียทั้งที่เขามีโอกาสแล้วองเรื่องเหตกดเขาเพิ่งมาตอบับไอที่ผ่านมาของเขาครับเขาจะโดนคิด บัญชีได้ไหมกับการทีร่เขาโต้ไม่ถ้าถ้าเขาต้บัตรตัวแล้วที่สุดเนี่ยถ้าเขาต้บัตรตัวแล้วเนี่ยไอ้บาบทั้งทั้งหมดมีตลอดอดีตเนี่ยก็จะถูกล้างหมดแม้กระทั่งในช่วงที่ปะวิงอืมแตไไ่ไอ้ไอ้ที่ความเสี่ยงนี่ว่าเขาปวิงเนี่ยเขาจะรู้ยังไงว่าเขาจะได้รับโอกาสต้บัตรตัวนี่นะสมมติว่าเขาไม่โต้บัตรตัวเนี่ยแสดงว่าที่ปวิงนี่นะมันจะเป็นบาปถูกคิดทวีคูณไงมันเป็นการดื้อดึงอะ่ะ รายได้ที่เราได้มันเป็นก้อนอย่างเช่นขายหรือว่าขายผลิตภัณฑ์เกษตแก่ส ก, กัดไม่ผลเกษตรนี่ก็คือเกษตรนะของที่ดินนี่ก็ก็สกัดเงินสตังค์คือเราต้องรอะว่าขายที่ดินมาเนี่ยเรต้องต้องรอทุกหน่ที่หรือว่าขายมา็กอลตกลงถามถึงเรื่องที่ดินน ะ, นกะเกษตรนี่ก็อีกเรื่องนะึ่งนะทุเรียนอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะอันนี้เป็นสกัดเกษตร นะพอบางเขาปลูกทุเรียนไงแต่ที่ดินเนี่ยมันเป็นทรัพย์มันเป็นทรัพย์สินที่ไม่มันไม่เจริญเป็นเงินภาษาอินเดียใช้คำเรียกว่ามันไม่ใชีแม่น่ามีคือเงินเนี่ยสมมติอ่ะแสนหนึ่งเนี่ยแสนหนึ่งถ้าเราไปลงทุนอะไรแล้วก็แสนหนึ่งมันงอกเป็นแสนห้า เงี้ยนเนี่ยเงินมังนงอกเงนินเรียกแม่แนมีที่ดินเนี่ยมันเป็นเงินที่ดินเนี่ยมีมูลค่าล้านบาทร้อยล้านบาทอย่างเงี้ยแต่ที่มันอยู่กับที่อย่างเงี้ยนะมันจะงอกเงนินไหมไม่มีนอกจากว่าเราจะไปทําเกษตรหรือจะไปตะปันตลาดานั่นแล้วก็มีรายได้แต่ที่กับที่อยู่กับที่อย่างนั้นนะนะมันก็ร้อยล้านอยู่กับที่เรวยที่ใช่ไหมโอลมาก็เลยบอกว่า มันก็ไม่ใช่ทรัพย์สินเหมือนทรัพย์สินทั่วไปที่ต้องออกปะกาศทุกปีออกปะกาศทุกปีเนี่ยต้องเป็นเงินที่มันงอกงอกเงยแต่ถ้าไม่ได้งอกเงยะนะก็ยังไม่ต้องออกปะกาศแต่ถ้าขายเมื่อไหร่แล้วก็ให้ออกปะกาศทันทีทันทีไม่ต้องรอครบรอบปีนะไม่แล้วเอา้าแล้วแล้วก็ใช้อะไรอ่ะรอบหลายปีที่มันไม่ได้ออกหรือก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ออกกนะันนะนั่นแหะคือรอบเวลารอบปีของมันออกปะกาศ ครั้งหนึ่งตอนได้เงินมาขายที่มาเงินที่ได้มานี่แต่ครบรอบปีอีกปีหนึ่งนนก็ค่อยออกอีกปีหนึ่งเกษตรนี่พวกผลไม้พวกอะไรนี่ก็ก็คิดหกร้อยกิโลหก้อยกว่ากิโลประมาณเจ็ดร้อยกิโลหกร้อยกว่าคล้ายออกถ้าถ้าลงทุนก็ห้าเปอร์เซถ้าไม่ลงทุนก็สิบเปอร์ ไม่ต้องแยกก็ได้คือสุดท้ายเนี่ยเราขายไม่ใช่เหรอก็ก็หกร้อยหกร้อยกิโลเนี่คุณขายแล้วก็แล้วก็ออกผลไม้มันอยู่แต่ช่วงเวลากันนะครับหมายความว่าอันนี้พอช่วงประมาณเดือนนี้เือนเนี้ยแต่ฤดูก็ก็ตามฤ ด, ดูของแต่ละประเภทไม่ต้องไม่ต้องรอสมมตว่าเงาะนี่มันออกก่อนหรกอรอให้ทุเรียนออกก่อนแล้วก็มารวมไม่ใช่คือเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วอ่ะนะ ก็ให้นับแล้วก็ชั่งชั่งเสร็จแล้วเนี่ยถ้าไม่ครบหกรอกิโลก็ไม่ต้องออกถ้าครบแล้วเนี่ก็ให้ออกจะออกเป็นเป็นเกษตรเองหรอออกในอุเงาะออกเป็นเงาะแล้วก็ไปแยกมิสกินได้หรือจะไปขายแล้วก็ออกเป็นเงินก็ได้ยางปลูกยางไหมยางยางเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่ตามฤ ด, ดูนะคือตามตามตามช่วงกีดนะเขาเรียกอะไรผลกี่่ะ กียมาช่วงหนึ่งแล้วก็พอขายรอบหนึ่งเพราะเราไม่ได้ขายทุกวันใช่ไหมเรากียรแล้วก็มาเก็บแล้วก็ม า, ม า, ม, ามาทำมาเตรียมแล้วเนี่ยพอพอเขามาซื้อนะไอ้เนี่ยช่วงนั้นอนะ่ะที่ซื้อเนอี่ยางผลผลิตของอยางที่เกียรไปแล้วนี่ช่วงหนึ่งนะ่ะอันนั้นนะ่ะต้องออกจะออกเป็นเกษตรก็เหมือนกันถ้าครบหกร้อกิโลนี่ก็ออกหรือจะหรือจะออกเป็นเงินนะ่ะออกเป็นเงินนี่ยหมายถึงว่าเหมือนเหมือนเป็นธุรกิจตามฤดูก็ นำธุรกิจแต่คบพิกัดแล้วคบพิกัดนี่ก็ประมาณมีแสนมีมีสองแสนนี่ก็ต้องออกแล้วเพราะอย่างยางพาราอะไรพวกเนี้ยคุณลองท่านก็ไม่ได้มองว่าไม่ได้มองว่าเป็นผลผลิตกเกษตรที่กินได้แต่มันเป็นเหมือนของชายอะนะมันเหมือนไม้อะไรเงี้ยขายไม้อะไรถ้าไม่ได้ลงทุนต้องไปรดน้ําต้องไปไม่ไม่ต้องไปรดน้ําไม่ต้องไปอะไรเลยนะมันมัน งอกมาเองอะนันสิบอร์เซ็นแต่ถ้ามีลงทุนต้องไปรดน้ำต้องไปใส่ปุ๋ยต้องไปอะไรนู้นแต่ห้าเอรนอนโย้รของการนั่งระกายในเวลาตอนขึ้นเที่ยงวันแล้วก็ต้นตะวนตกครับก็เลยจะทว่าถ้า เ, าะละมมเวลาเราจะหลับสมมติเวลาไปรบามันสูงอย่างเงี้ยครับแล้วเราไปถึงเราประมาณแบบมันกบก่อดจะเข้าเวลาทุรียะครับอันนี้คือถามว่าเราบาดเหี้ยงไก่อนอาซานใช่ไหม ช่วงเวลามักรูทั้งหลายเนี่ยถ้าจะน่ถูกต้องในการละหมาดไอทูลมัสซิดเนี่ยหือการละหมาดที่มีสาเหตุเช่นการละหมาดเตาบัดการละหมาดเตาบัดตัวการละหมาดซุนนะอาบน้ําละหมาดการละหมาดอิสิคาราะการละหมาดตไอทูลมัสซิดเนี่ยมันเป็นการละหมาดที่มีเหตุผลมีสาเหตุละหมาดเมื่อไหรก็ได้เช่นเราอาบน้ำละหมาดช่วงเวลาก่อนมะกริปอย่างเงี้ยสามารถละหมาดซุนนะได้ เข้ามาสัสยิดช่วงก่อนมกริบอย่างนี้ละมาแตา่ให้ดูลมัสยิดได้ไหมได้จะไปซื้อบ้านก่อนมกริบอย่างนี้จะละมาที่ศิคารอนได้ไหมได้จะไปแต่งงานช่วงนี้ช่วงเวลามะกรูอย่างนี้ละมาที่ิคาร้อนได้ไหมได้แค่้นอะไรที่ที่ทุกข์ากหรือไม่ไม่ว่าที่ที่ไม่ไม่สมควรที่จะทำหรือไม่ว่าสุนแนต่ี่ที่แต่ไม่สมควนทรทั่วไป สุนทรพย์ทั่วไปแต่ดิ้ง่าอยากเจละมัดอยากจละหมัดสุนนะไม่ไดุ้นก็เด็กสุนนะทั่วไปนี่ไม่ได้แต่ละมาดอย่างอื่นได้นะอย่างละหมาดละหมาดใช้ชดฟรดูนี่ได้ชดสุนนะบวกกันได้ได้